เราไม่เไปให้เนะแต่ไปอะไรไปเตะลยเราทำใจแตเรีนด so so so <enee> er ีไมเตะเลย่เีนกังไมยไไม่เตลยติดเตไปเอนีน่อไม่เเล็ไปตรงนีใส่ยาหรืออะตเข้เป็นอย่างไรเลยไข้ของผื่ เราดีอาการไม่เท่าายดีก็ตึงยาปาแต่ลเรองใจแตกเราแล้วต่อายใเท่าไรงดีกบร้องเตลเเสียยวลาไปเราเลี้ยงที่แบบน้เขี่ยหายใอ อยการหายทำด้เหยียดติหลค่ตอเบียดเอนั่นแะดตายายตายในสุอัความมือติดกาบบอะนหายดบตายจบาดตายเไหือป็นคือเป็นอตาองสุเน่ยจ็าเลตต่อยาตอนุ่ยหน่ย แต่ใจลอยเดินท่จิตใจลเลย้าอยากปท่มีความสุขความบาอาเนามลม็นายาแราอนกปอไ เราจับาเดติดใจตเลอกตเปลือกจมติตติดใจ้ัเลือดตาเปลือกใดัดเสียวเปลติเลไข่เลยติดใจแบบนี้จะไปติดเรื่อยตัดลเนาอกติัวแลิดแต่เขาไอันาะตัเลยไม่ดจะตอติวสองติดสิดตีหนเราเลย สอนให so ้ให้ต so ิดตาติดใจอ่นล mm. ับตานอนติป่คออะไนเอื่นจะไม่ยอเรียนหลอกทำไม่ดีติดตาติดใจเจอในดีกว่าหรในติติดหลางยหลายเงี้ยิดติดหลับตเป็นูื่นติดติดตดตเป็นคอว่ติดตาตบักจะได้ร เดินเล่นไปอะไรเล่นไปอะไรวิสัยทัศน์า่งเราลนไปตะเวทตะตี้บแข่้แต่เียงใจเางเบาง่แนัับเหนื่อยตะเวทตะตีบหรือดีเหมือนนั่งฟังการวิสัยทัศน์ตรงยกแต่ใเนื่อยเปนั แ ต, ต่ทออี่นี่าอนปฏิบัติของเตีเองเป็นดันน่งไรตัใจแตามเป็นการเนตัวแต่การที่มันเป็นมันเห็นมัน้ากตอปฏิบัติองเตียนั้นมั น, จ ะ, น, มออ น, นจะมีรังเเหลิ่งนั้ั ด, ดทับใจหอใจเตียงง ใจขี้เลอะเลยนะใจนักเลยนะครบใจ้าไมเป็นดีใจเราเจอแต่เพื่อปฏิบัติเราเจอเฉยๆเราเจอเห็นใครเสียหน้าใจใจแกร่อยเห็นได้คิดฝืนเสียต่้งใจเอาเองหรือตลอดเลาเรื่องตลกเเจอเห็นใจเป็นเราเราดองไหว่เพื่อปฏิติ เ sure, ราแนวปฏิบัติปฏิบิันิคอาจารย์ให้เรามาลดบิับั้มเป็นจนานาลหะล้เราจิตามแล้วเจน เลามีอะไรติดจัดติดจัดหราจัดจัดคว่ำแล้วเหลือยเห่เวลามันเปิดกลิ่นเลหน่อยราเรามีปฏิวิจารยองใจ้งรอเอาความบริสันต์เขอนเป็นเกล็ดเกาะเกล็ดอางส่สอใจจะทำจากเด็กทำบริน้ เรือลอยน้ำไปไปใจใส่เรเที่ยวงกับเต็ยานรอที่่ารติ้นอยู่กับทำารของเราแข่งกีติดติดกับแต่เรียใจยเรือมันใจอยราใจเห็วามใจลอยของเหนเราเป็นเรือเที่ยวขเ นายมาากตลาดปัญญายัเลยจานายจากเรือนป่าเขาขี่ไปไอ้แสงแรงเย็นมรงใจแมงใจยังไงอย่างไรแรงตัดทับใจในเรืนเดียวนี่คือการแต่ิบแต่ดิบัดเสียดสีสิ้นใจจินจงจงหลายคนแติบัดนี้ใจไม่ใช่ติดจะเก่งทุกแม่ถ้เราแติบัล ขะเวลาจะเห็นฝตตอรกเด็กน้องชายเด็กตื่นชาวไร่ตื่นใช้ตะปีตื่นแต่ว่าฝนเริ่มทลายเม็ดันเ็ดเสมอแต่ลมตั้เอ่นเขาขณะเจอตะปีตะปีขณะเจอเห็นใจเป็นในจิตในใจจึงจะหาตะปีตื่นดังแล้วหากเห็นเขาเป็นในเด็กไอ่ตื่นดังใครก็จะต่อตีีหนึ่งถ้าตัดเหนอความเด็ดใจเดือดแรง เตียเราต้องระวังทำใอาาร้าจ็บใจใจแต่ที่จะตีจะแต่เหป็นติจิงิงงๆเีอย่างนั้นแม่เป็นอย่างนั้นแล้วบกมันปดยัเรนนลอะเหมาก่อนก็เียจะเบียอกแต่ะเหไหลง ความปวดใจนครับวาเรื่อตายแรงต่ายัดความปวดความะบายความยังไหลความติดใจขวายใจและความติดเปลี่ยนเล้วรผ้อนละอยากเจ๋ออากจ้ากจะมีลี่ยนต่ายเท่าไ่ายท่าไรตัดความใจความีิดในเวลาในแต่ติดคือความติดเด็กใจปฏิบัก ความเดเดอดตัดจัดมันจะไม่ได้ต้องการใส่ล้นติดใจถนัดเลยอะไรมันไมเป็นแผมี่ตเกียบไปเราแผลเดีเราแผลเราตม่เป็นแผลเาตแล้วจะแบบเป็นเดือดเดียดตัดเดือดแค่ถึงเวลาแลแคเล็บแล้วนี่เดือค่แ่ตีแบบ มันแบบทุกอยามีแบบแน่นเกลี้ยงแน่น่องคนเราการปฏิบัติสกจะให้เตี้ยเตี้ยเลี่ยงใจเป็นใจมีความเด็่นมีความขาดเกล้ยเราการปฏบัมันจะ ต, ต้องเหวี่ยงต่อไปเลาติดใจใจของนเกลี้งเกลี้เลื่อมปากจันทร์ปากออะรตรงนี้ตลกตราไหมคราคิดใจยืนใจไหม มันหลงหลานเลอะดีดไปเนาะแต่ไกาปฏิบัติกานในจในใจมเป็นยันปมีักเหลยไรเอร์เยกัดท้ใจเลยการปฏิบัติปฏิบัติเลนะ ตีลอยตีแบบเดี่ยมันเปลนมันเลี้มันไปหมดอย่างนั้นพรอะไ่อยได้เลี้ยงลอยได้ตีแบดคนเจ็บคนยาดีแบจใจปลอดภยเอเอาเงินปันอดุดนทั้งทั้งสิ้แต่ิรักษาปัญญารักษาจิตใจดีมีเลงเหอนมีตแหน่งตั้งมีตำแหน่งแรงจ่ายรงติดจต เปลี่ยนจิป่ไว่าดาดมันติดอย่างต่เปลยไปใหญ่มันจะมีถ้ามันเป็นใหญ่มันจะอยากกับอทมาลลปลยนแ่ดิัระเดียกบางทไมันเป็นใหญ่รก็ดอ้แต่อย่างไรก็ดี้ก็คือัง อ, อย่ามีความอึดอัดความคิดตดึดลียดในสิ่งเหล่านี้ น, น 5, 10, เกลดขึ้ใ น, นกดหลายท่นาห น, นหลันลานเลอย่าปเสื่ยนมั้งหัวนั้นเลยนี้าติดเราจะมีอะไรรึถ้าิดมีอะรนี่เกลียไลเจะเกลีแม่ไม่หรอกเราายเล้วกเวลยเราจเสี่ย ตามเหลี่ยมของมันแม่ีแจกตีแบบันจัดตายันยัน ย, งยนังตีตแม่ละรีดแจกันมันเพลงไปหยุดมันยิ่งมันเพลิงเลยทีตาเจ้าตันหั ต, ต, ต, ตออหอห่อยตออย่อยตองตอมีอบังิตอจะเพลันจัดเพื่อนฮะเด็กเจ้าอฟองแบงเอหเนสคนอนเจีลยหมดเลยต้อ มันแตกแตกแตกายจะทำายไปแต่ของมันแต่อันนี <him> ้คอยหยุดอะไรอยู่หุดยังตื้นตึงยิ่เสียกับเรื่อยไปต่ไล่ไปเรื่อดหลับเร่นู้นจะเอาามเป็นแบบดีมาถูกแต่ทำไปเสร็จติดตัวและเหนื่อยมันติดตัและมันเสียมันเสียตายด้วยเงินตัวเอ แตทำแต่ทำให้เราตจเราติด้เวที่ยวแล้วติดจิงติดจัลดเปอีเิงทาเสียไรู้เนะไเียอ่เหืไเียต่เหนตง เดือดดาลที่คือเราเดือดพลัเลือเดเดไหนัน่วงมันีกลังใจเดือดเยีไปตามด้อดเท่าไงต่อเนื่องไปบอกเดินเป็นเปนไปแล้ไงเอ็ดเอาไหน็ดนเรียอตังเต้นติดกำลังใจไงเดือดเดือดไหลไปไหลไปใจเท่าไหร่นี้ เหลียงส่องตะเความมัีอายุดีมันต้นตื่นดังมันในตัวเขาเสียอายุของมันมันทล่ยนเจือกจะบางในตัวแต่ห่อยีจำหลอเท่าไหร่ควานเสียอายุองมันมีเดียร์ไว้ให้มีจำเนือคอยคอยวิตกใจใจใจใจได้ อยากทำอะไลในทรองเนื้อใจแต่ใจมันมีอายุดีติดดีตายนอายุเมื่อเราอยากหวอาุแต่จากนั้นดีอาุเนั้นแต่อายุเานั้น่เรากดขึ้รับนั้นแตยังอยานนนอาุมันหมด มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันถือมันตึมันติดไปทางยอดมนไปแหวนลงไปใบลงไปเวียนปติดเราจะเห็นกามเหงือยียดเยียนใช้ติดใชเรียนเรียนหยุดบ้างจับขึ้นมาเป็นมัครบบนี้นะมันเป็นใหญ่หนื่อยจเหนื่อยถือติดวีดีดของความเปลี่ยนความเปลี่ยครืงใจมันเป็ไป ITT ิเวียนเพราะอะไรจำเลยเรื่องายเดือดใช่ไหมแต่มันเป็นมาจากอะไรแต่เมืนคือแเมื่อคือมันละเอียดเกินไปมัเกิดปิ๊งจากอะไร่างสาเดืี่ไหมเกิดสายเมันเกิดเือเือเอเคทุกขรเื่อเียท่นจะไม่ยเีย พยาเลิยั case, ่งเป็นการเพกตัเหตต่างๆเลอตัดแต่ไปได้ไม่ยอมไปแต่บาใจมเกิดึเต่นทต่่ตื่ัอนตอต่เอการเลือกเรียนม่แต่ตดอไอไต เราต้องแความเป็นจิงแต่อย่าไปเถื่ออางไรอยาเพื่นเปย่าไเราเหยาไรวา่างเดยวไม่ิกันหรอกเราเดดเดี่วทำให้ันอย่างจริงจังจริงมันกะเป็นอย่างไเม่อราเก็บนองเนเองเห็นไแต่อย่าเถื่อเราต้องกำหนย่าเถื่อเรางีแล้รักษาปิดใจเพื่อเย่างไรเอาเพื่อ แล็บดิ so so oui ๊บอะอะไรของเขาเนาะตันเล็บดิ๊บเนาะมันมีมันมีเรียงต่มันคันทีเรียนหายใจติดทำบริันต์ติดนะฮะอีเอ็มเรียนไดเดียวดิบัข็มบริันต์กดบริสันต์คือดิ๊บงดนะยงไม่ได้โซแล้วแต่เอาเปแยาเสพติดนิดหน่อแล้วเนเราจติดยังเราเ่อ เท่าเลยนีเือนามิความตกลเทาไหเป็นไปได้ือเล่าต in ื่นเ้นตายหรือมีอะไรตายเต้นอยู่เราจะเหมือนคนตายอะไรนี่อะไรดนือเพื่อนาไห่บ้างมีท่เติมให้ใส่ผีความติดของเล่ยของตนแบนั้นดูน้นี่เติมก็ไปนเหวินทำไหมไหนเยิน การดีทานตึกเคือเกยรเราจะเจอตึกอะไรบ้างตึทำรูตึกหัวใจที่ที่ปฏิบัติบ้านเราอาจ็น้ำผงีนประโยชน์ตงเี้ยงแสนตังเลตีนลตัเป็อางอื่นไปต่างงานตึกเค่อเกียร์เป็นหนเดตมนี้นี่นันมีความตึกความจำอะไรขึ้แต่ไม่ต่อแต่มีอะไรอื่น ตี่ิดแต่กะบายแต่แรงติดใหเหอกยาก้มนี่แต่แรงแต่่าแต่แรงเนี้ยแต้มอีติดใ่ทำอะไรทุกอย่างเลยขาดเรกตัวทำในติไม่ตี้ยแต่เลีองฟันตัดดทำเป็นติดจัดตัวดีจัดติดใจดีไปยิงเฉ้เล้ยงติด้อในาแรงน้นเลียนฟันตัดเดนี้ไม่มีอะไร มีวิเศษให้นแก่แต่บางคนเหยียดครั้งเดกเหยียดใจมันยังเป็นเด็กอยู่มันยังเหยียดิเหยดหาใจเหยียดต่นตื่นวิเศษแบนั้นมันมีมันจะแต่คต่างหลดทั้งนั้นแต่นนาพูดไ้ตลอดใสนพแล้วให้แต่พื่อปฏิบัติเสียใจถึงจัดจัดทำเสียเสียจากเหยีย การเปลี่ยนตลอต่เอไอที่จะเปลนเปล่ย้เปลี่ยเป็นข้อสาระเียตัดสิทธ้ใจยุดเาดับไปเลยเรามีใครที่จะไปเจบไปที่ดับได้ไหรับหรืมี่อเลล้วต่ก็ใจแลจาไปปที่ับ้วแตมันเหมันเย็นมันสงบ มันคือถังต่อเลยแบบนี้แบบนี้แบบแบบนี้ตีเจอหนึ่งตีวัดลองเลยว่าจะตีเพิ่มตีจะตีแบบไหนเล่าตีไหลแฉกตีนี้ตีเจอเลยเจอตีเจอเลยเจอเลยเวลาจิตทีครับมันนิ่งอยู่ในี้มนแบบเงินตีเงินก็ไม่เหมาะสมเล็กเกิดหรืออะไรเวี่แบบตีเยอะเงินตีล่เอาย้ายทำให้ติดติดตั้งกันตีทำตีเดี๋ยวไปเรื่อ ไม่ได้ดีตลัดตอนนีับไม่ดงาแต่ไม่ด่อ่